ครที่มีโทรศัพท์มือถือระยะหลังมันนจะมีข้อความแปลกๆอ้างว่ามาจากหน่วยราชการหน่วยนั้นหน่วยนี้แล้วก็ให้เจ้าของโทรศัพท์กดหมายเลขกด1กด2บางทีก็ถ่าย QR code อ้างว่ามาจาก DSI หรือจากหน่วย ง, งานต่างๆเพื่อให้เรากรอกข้อมูล แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะคนโทรมาอ้างว่ามาจาก call center เจ็อ้างว่ามาจากธนาคารแจ้งว่านะบัตรเครดิตของคุณมัมีบัญชีค้างชำระ3มเดือนดูรายละเอียดกด9กบ้างกด6บ้างบางทีก็มาอีกแบบหนึ่งนะ ว่ามาจากหน่วยราชการกรพยาการบอกว่าบัตรประชาชนของคุณเนี่ยหมายเลขนี้ถูกต้องไหมไม่ว่าเราจะพูดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะทั้งมนี้มันก็เป็นอุบายนะของ หลามิจฉาชีพเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่รู้ทันนะก็อาจจะสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่อยากเสียท่าพวกมิจฉาชีพหรือว่าพวกสิบแปดมงกุฎนี้เราก็ต้องรู้ทันเขานะแม้ว่าเขาจะมา พูดให้ตกใจหรือพูดให้กลัวเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งมีความสะดวกสบายจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาเราสะดวกสบายเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือพวกวิชาชีพวยาว่าสะดวกสบายเหมือนกันนะในการเข้าถึงตัวเรา ผ่านโทรศัพท์มือถือถ้าไม่รู้เท่าทันนะก็เสียท่ า, าเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันอุบายของคนเหล่านี้มันเป็นสิ่งจำเป็นมากนะสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันรู้เท่าทันลูกไม้รู้เท่าทันกลลวงการหลอกลวงของเขา แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไประกันนะเือจะยิ่งกว่าก็ก็ได้นะก็คือการรู้เท่าทันการหลอกลวงของจิตเราเองเนี่ยอันนี้มันอาจจะน่ากลัวกว่าการหลอกลวงของพวกพิจฉาชีพนะเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะ หลอกเราได้เนี่ยหรือเข้าถึงตัวเราได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเปิดโทรศัพท์มือถือถ้าเราไม่เปิดหรือเปิดแต่ว่าปิดสัญญาณนะพวกนั้นก็เข้าถึงตัวเราไม่ได้หมดโอกาสที่จะหลอกหรือว่าที่จะลวงเราแต่ว่าจิตเนี่ย มันอยู่กับเราตลอดนะแล้วมันก็สามารถจะหลอกเราได้ง่ายหรือว่าหลอกเราได้ทุกเวลาเลยไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นเข่นหลอกให้เรากลัวอยู่กุฏิคนเดียวหรืออยู่บ้านคนเดียวกลางค่ำกลางคืนทั้งที่ ประตูล็อกแน่นหนาหน้าต่างก็ปิดมิดชิดแต่หลายคนก็กลัวนะเพราะว่าจิตมันหลอกว่าจะมีข้างนอกมีผู้มุ่งร้ายประสงค์ร้ายบางทีมีเสียงกุกกักก็มันก็หลอกให้เรากลัว ว่าเนี่ยมีผีสางนางไม้หรือเปล่ายิ่งไปที่ที่ไม่คุ้นเคยยิ่งมาอยู่วัดตัวเงเนี่ยโอ้มันสามารถจะหลอกให้กลัวได้สารพัดไม่ว่า จ, จะเป็นคนที่มุ่งร้ายสัตว์ร้ายเสียงดังกรอบแก็บเสียงลมพัดเสียงกิ่งไม้หัก ตกกระทบหลังคานี่ให้จิตที่ไม่ได้ฝึกมานี่มันก็สามารถจะหลอกเรานะให้กลัวบางทีไม่ใช่กลัวในยามที่อยู่คนเดียวอย่างเดียวนะแม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนมันก็สามารถจะหลอกให้เรากลัวอะไรต่ออะไรต่างๆได้สารพัด โดยเฉพาช่วงโควิดนี่คนกลัวกันมากพหวหาเลยนะไม่กล้าอยู่ใกล้กันใครมาอยู่ใกล้ๆนี่บางทีกลัวจนลืมตัวนะนะผลักเข้าออกไปไกลๆไม่อยากเข้ามาสัมผัสตัวแต่ก็ดันไปสัมผัสเขาอย่างแรงนะด้วยการผลักเขา บางทีมันก็หลอกให้ให้อยากนะหลอกให้เสพอย่างหลายคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยถูกหลอกว่าเนี่ยเราต้องต้องกินเหล้านะเราจะได้เข้าสังคมได้มันก็มีข้ออ้างนะที่มาหลอกให้เราเชื่อเลิกเหล้าไม่ได้เพราะว่า ต้องเข้าสังคมหรือบางทีก็นาตั้งใจว่าจะเลิกแต่มันก็หลอกว่าเนี่ยอีกครั้งเดียวเท่านั้นแหละครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายจริงๆนะหลายคนก็เชื่อนะสุดท้ายก็เลิกไม่ได้สักทีว่ามันมีอุบายร้อยแปดเลย จะมีคนหนึ่งพยายามเลิกเหล้าแต่เลิกเท่าไหร่ตั้งใจเลิกเท่าไหร่ก็เลิกไม่ได้เพราะว่าเวลากลับบ้านนี่ต้องเดินผ่านร้านเหล้าตั้งใจยังไงก็พลาดท่าเสียชีนะเผลอเดินเข้าร้านเหล้าจนได้จนกระทั่งวันหนึ่งนี่ตั้งใจนะว่าเนี่ยฉันจะเลิกเหล้าให้ได้ ตอนนี้ฉันจะไม่แตะเหล้าเด็ดขาดฉันทำไม่ได้เป็นหมาดีกว่าแต่พอเดินกลับบ้านใกล้ถึงร้านเหล้า น, นี่มมันมันเปรี้ยวปากใจสั่นเลยนะมันมีแรงผลักนะจะให้เดินเข้าร้านเหล้าไอ้จิตมันก็หลอกด้วยเหตุผลสารพัดนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว หรือแม่ก็บอกนได้ยิยนเสียงเพื่อนเรียกนะเพื่อนเรียกจากร้านเหล้าปฏิเสธนะความชักชวนของเพื่อนมันก็ดูกระรายอยู่ดูน่าเกลียดนะแต่ก็หักห้ามใจนะไม่ยอมเพราะตั้งใจแล้วว่าจะเลิกให้ได้สุดท้ายก็เดินผ่านร้านเหล้าไปได้โดยที่ไม่แวะเข้าร้านเหล้าเหมือนเคย ดีใจมากเลยดีใจสุดๆเลยเจ้สภามก็ได้ความคิดมีเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ้ยนี่เราชนะแล้วงั้นเราไปฉลองชัยชนะดีกว่าว่าแล้วก็เดินกลับเข้าร้านเหล้าไปฉลองชัยชนะที่เลิกเล่าได้โอ้มันฉลาดมากนะไอ้จิตที่มันอยาก จิต ท, ที่มันมีโลภะที่จิมก็คือกิเลสนั่นแหละนะพอแต่มันพอเป็นครอบงาจิตนะจิตก็อยู่แนวหน้าของมันแล้วก็เป็นเครื่องมือของมันที่หลอกเราผู้คนพ่ายแพ้แต่อความอยากก็เพราะโดนจิตมันหลอกเอาบางคนก็รู้ว่านะต้องคุมอาหารต้องคุมน้ำตาลต้องลุมไขมัน แต่ก็พาด่าเสียทีเพราะมันหาเหตุผลนะมาหลอกเราจนได้บางทีก็หลอกให้โกรธนะหลอกให้เราแวงคอยเป่าหูว่าเนี่ยคนนี้เขาเพื่อรงงานคนนี้เขาคิดไม่ดีกับเราหรือว่าเขาแอบดินทาเราเขาแอบเลื้อยขาเข้าี้เรา หรือว่าเป่าหัวเนี่ยเจ้านายนี่เขามีอคติกับเราก็ทำให้โกรธทำให้ไม่พอใจทำให้เกิดความขุนมัวหรือทำให้เกิดความระแวงโพาะจิตนี่มันสามารถจะหลอกเราได้สารพัดเลยหลอกให้อิจฉาตาร้อนก็ได้ถ้าเราหลงเชื่อนะ ไม่รู้ทันอุบายหรือการหลอกลวงของจิตนะโหเราก็แย่เหมือนกันนะอย่างน้อ ย, อยก็เต็มไม่ได้ความทุกข์นะทุกข์เพราะกลัวจนตื่นตระหนกทุกข์เพราะไม่สามารถที่จะเลิกละสิ่งที่เป็นอ่า ปัญหาสิ่งที่คอยกดทวงดวงทับชื่อจิตใจของเราได้หรือว่าทําให้เกิดปัญหากับผู้คนแล้วคนที่ยิ่งมีความมั่นใจในตัวเองนะคนที่่งมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยยิ่งเป็นยิ่งง่ายมากนะที่จะถูกจิตมันหลอกเพราะว่าคนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเขาจะเชื่อความคิดของตัวเองมาก และจิตนี้มันก็จะคอยปรุงแต่งความคิดสารพัดนที่ทำให้เราหลงเชื่อเช่นเราแวงคนนั่นคนนี้หรือว่าหวาดกลัวคนนั่นคนนี้หรือเกิดความโลภอย่างเช่นอะ เราต้องทุจริตนะเราต้องโกงนะเพราะว่าเราจะได้มีเงินนะเอาไปทำสิ่งดีๆอย่างเช่นนักการเมืองเนี่ยที่เก่งๆลนะจำนวนมากเลยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันต้องทุจริตนะมันต้องคอร์รัปชันจะได้มีเงินเป็นทุนสำหรับหาเสียง เพื่อที่พักของเรานมันจะได้มีจำนวนสอสอเยอะแล้วจะได้ไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มันก็หาเหตุผลที่รอหลวงให้เราทำชั่วมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความอยากจนหน้ามืดบางทีก็ ทุจริตก็พอคิดว่าเนี่ยเราทำประโยชน์ให้กับบริษัทมากมายแต่ว่ากลับได้ผลตอบแทนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยมันก็สมควรแล้วเพราะเราก็เสียสละนะเพื่อองค์กรเพื่อบริษัทมามากแล้วว่ามันหายเหตุผลนะ ที่มาหลอกให้เราทำชั่วได้ง่ายแล้วก็อย่างที่บอกนะคนที่มั่นใจตัวเองเนี่ยคิดว่ากูเก่งเนี่ยนะมักจะเป็นคนที่ถูกจิตมันหลอกได้ง่ายมากเพราะเชื่อมันในความคิดหรือเชื่อในความคิดของตัวจิตมันก็สรรหาเหตุผลหาความคิดมาล่อลอก ให้เขาเนี่ยหลงเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าว่าเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่ผาสุกเนี่ยไอการรู้ทันความคิดเนี่ยหรือรู้ทันจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยคนเก่งจำนวนมากเนี่อรู้ทันคนอื่นไม่ให้คนอื่นมาหลอกได้ แต่กลับถูกจิตของตัวนี่หลอกหลอกให้กลัวหลอกให้เราแวงหลอกให้โกรธหลอกให้โลภหลอกให้ทาผิดหลอกให้เสพติดเนี่ยแม้เช่งเวลาจะทำความดีเนี่ยมันก็หลอกให้เขวยได้เหมือนกันนะเช่นอยากจะมาปฏิบัติทำตั้งใจแล้วนะว่าเนี่ยคุณจะมีเวลามา เรินสติทำมสมาธิแต่พอถึงเวลามันก็มันหลอกลว่าเรื่องนี้มันไม่เร่งด่วนเรายังไม่มีเวลาให้กับพ่อไม่มีเวลาให้กับแม่เลยแานที่จะไปปฏิบททัติธรรมก็ไปดูแลท่านดีกว่าไปเยี่ยมท่านดีกว่า หรือบางทีเขาบอกเนีเรายังอายุไม่มากแกแล้วค่อยถึงค่อยปฏิบัติธรรมก็ได้นี่ขนาดตั้งใจจะมาแล้วนะมันก็หลอกให้เขวหรือแม้แต่มาปฏิบัติธรรมแล้วมาเดินจงกรมแต่พอเดินไปสักพักหรือเดินไปสักวันสองวันนะ มันก็มาล่อหลอกนะให้เลิกทำเช่นเห็นกุติดูมันลกเหลือเกินนะใบไม้ก็เยอะอยากกันนั้นเลยเรากวาดใบไม้ให้มันสะอาดสะอ้านดีกว่าตอนนี้เกิดมาอยากจะทำความสะอาดขึ้นมาแล้วไอตอนที่ไม่ปฏิบัติทำไม่สนใจนะแต่พอ มาเจริญสติมาเดินจงกรมเนี่ยพอเบือบ่อเบืขึ้นมาเนี่ยมันมันมีเหตุผลสารพัดเลยนะที่จะเลิกบางทีกเ็เราหยิบหนังสือมาอ่านดีกว่าหยิบหนังสือธรรมะด้วยนะหนังสือธรรมะมาอ่านดีกว่าแล้วพอโดยมันหลอกแบบนี้ยเดี๋ยวก็เผลอไปหยิบโทรศัพท์มา มาเช็คข้อความมาเล่นเฟซบุ o กนมันหลอกให้เราเลิกปฏิบัติไปเลยนะทีละขั้นทีละตอนนะเดิมก็กวาดใบไม้ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็หยิบโทรศัพท์มาดูนี่ในการในการปฏิบัติเนี่ยนะิย่งสำคัญนะ ที่เราควรจะมีคือความฉลาดในการรู้เท่าทันนะอุบายของจิตหรืออุบายของกิเลสเราอาจจะบังคับจิตไม่ได้นะหลายคนปฏิบัติพยายามบังคับจิตให้มันหยุดคิดให้มันหยุดฟุ้งนะแต่ว่า ทำยังไงก็ไม่สาเร็จนะเพราะว่าจิตนี้มันบังคับไม่ได้มันก็ยังคิดมันก็ยังฟุ้งนะแต่สิ่งที่เราทำได้นี่คือรู้ทันนะรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้ทันความคิดที่มันพุดออกมาแล้วเราจะรู้ทันความคิดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรานะโดนมันหลอกอยู่ บ, บ่อยๆอย่างที่หลวงพ่อคาแก่นใช้คว่าหลงนะเนื่องราะเราหลงบ่อยๆเนี่ย เราจึงมีโอกาสที่จะรู้ทันมันโดยมันหลอกอยู่เรื่อยเลยเนะตั้งใจว่าจะรู้สึกตัวอยู่กับการเดินให้มันรู้กายเวลาเคลื่อนไหวไม่ว่าเดินตรงกรมหรือสร้างจังหวะแต่เพอ่แป๊แบเดียวนี้ไปแล้วนะมันหลอกแล้วนะหลอกให้คิดโน่นหลอกให้ไป หลายไปอดีตมัง่งรอยไปอนาคตมั่งคิดเรื่องงานมัง่งใหเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นเลยนะโอกให้จิตนี่มันหลอกเราเก่งมากเลยเราว่าจะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวแต่มันหลอกเราได้ง่ายมากเลย เราจะเห็นเลนาโอ้จิตนี่มันหลอกเก่งมากอันนี้คือความรู้อย่างหนึ่งนะที่มันเป็นประโยชน์นะที่ทำให้รู้ว่าเนี่ยอย่าไปเชื่อมันง่ายๆแล้วก็อย่าประมาทนะจิตของเราเองจากขณะเดยการการที่เราเผลอบ่อยๆเนี่ยแล้วรู้ว่าเผลอ มันก็ทำให้เราเนี่ยรู้ทันความคิดได้ไวขึ้นรวมทั้งรู้จักทักทวงความคิดด้วยเป็นเพราะหลงบ่อยๆเนี่ยเราจึงรู้ทันได้เร็วแล้วก็รู้ทันได้บ่อยในการหลงเนี่ยในขณะที่เจริญสติเนี่ยมันไม่ได้เสียเวลาไม่ได้สูญเปล่านะมันให้บทเรียนกันเรามันทาให้เราเนี่ย ฉลาดในการรู้ทันจิตมากขึ้นเพราะเราเห็นหรือเรารู้ว่าตัวเองหลงอยู่บ่อยๆและหลงเพราะอะไรเพราะความคิดเพราะจิตมาไปสรรหาความคิดสรรนาผลมาล่อให้เราออกจากความรู้ตัวมันจะทำทุกอย่างนะให้เราหลุดจากกายที่เรา เอามาเป็นวิหารธรรมต่เพราะเราพลาดท่าเสียทีบ่อยๆเนี่ยเราจึงได้บทเรียนได้ความรู้ว่าใอ้จิตนี่มันเชื่อไม่ได้ทุกอย่างนะไม่สามารถจะเชื่อมันได้ในทุกเรื่องบางเรื่องก็เชื่อได้แต่บางเรื่องก็เชื่อไม่ได้และการที่เราเผย บ, บ่อยๆก็ทำให้เราเนี่ยรู้ทันได้เร็วขึ้นรู้ทันได้บ่อยขึ้น มันเป็นประโยชน์นะแต่ก่อนเนี่ยถูกมันหลอกสำเร็จตะพทึทุกครั้งไปนะถูกมันพาให้ไหลหลงตะพึทตะพือเลยในเวลาที่ไม่ปฏิบัตินะแต่พอปฏิบัติแนมะ้ยังหลงอยู่แต่การหลงเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะมันทำให้เราเนี่ยรู้ทันได้ไวขึ้นแล้วเราก็รู้จักทักท้วงความคิด นะได้ได้เร็วขึ้นเป็นสิ่งดีนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และถ้าเรารู้ทันความคิดหรือว่ารู้ทันนะอุบายของจิตเนี่ยอยู่บ่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะเริ่มเชื่องนะมันจะเริ่มเชื่องเพราะว่าหรือว่ามันจะอยู่ในร่องในรอยมากขึ้นเพราะมันรู้ว่า หลอกเราทีไรเรารู้ทันแต่ขณะเดียวกันนะมันก็จะทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ไอตัวเรานี่มันสามารถจะคิดได้สารพัดแม้กระทั่งคิดในทางลบทางร้ายบางทีก็คิดลบหลูผู้มีพระคุณลบดูครูบาอาจารย์บางทีก็คิดในสิ่งที่เราไม่เคยนึกว่าเราจะคิดได้ทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะว่าเราได กลับมารู้ทันคนที่ปฏิบัติหลายคนเนี่ยจะรู้สึกโอ้นี่เรานี่ชั่วไร้หลือเกิด น, นะแต่ก่อนคิดว่าเราเป็นคนดีแต่จริงโอ้มันเห็นเลยนะว่าเรานี่มีความชั่วไร้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโลรโกรดโลหิตช้าพยาบาทต้องหมดนี้เนี่ยเพราะว่าไอการที่เคยปล่อยให้จิตมันตกอยู่ในอำนาจของกิเลสหรือของตัวกูเนี่ยแต่พอเรา หันมาดูใจหันมันรู้เท่าทันความคิดเนี่ยมันจึงเห็นนะว่าไอจิตเราเนี่มันเชื่อไม่ได้ไม่สามารถจะเชื่อได้ในทุกเรื่องมันทําให้เราเนี่ยเกิดความระมัดระวังแล้วเกิดความรู้จักทักท้วงซึ่งก็อย่างที่บอกนะพอเราทักท้วงมาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มสงบเสงี่ยมมากขึ้นเพอเรารู้ทันมันแล้ว ในการปฏิบัติในการภาวนาเนี่ยนะครที่หลายคนปรารถนาความสงบปรารถนาความโปร่งความเบาเนี่ยสิ่งที่สาคัญอาจจะสาคัญยิ่งกว่าคือการรู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันจิต ท, ที่มันนะชอบหลอกชอบลวงชอบทำให้เราเขวถ้าเราไม่รู้ทันมันนะในการที่เราจะพบกับความ สงบความเป็นอิสระความเย็นเนี่ยมันก็ยากไงมันก็เกิดขึ้นเพียงชั่วช้าชั่วคราวเสร็จแล้วเราก็ก็พลาดท่าเสียเทียมันอีกเพราะว่ามันพาเร า, าเข้ารถเข้าผงมากหรือไม่ก็พาเราทำในสิ่งที่ไม่สมควรซึ่งทำให้เราเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาดนั้นต้องพัฒนาความสามารตรงนี้ให้มากๆนะ รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันจิตนะเวลามันจะล่อหลอกหรือลวงเราเอาอย่างนี้พูดเท่านี้นะ